เพื่อให้มีความประพฤติและการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามจะเห็นว่าสิกขาบทเป็นข้อข้อเมื่อพูดถึงหลายข้อก็เป็นประหูพจน์ตามที่ว่านี้สิกขาบททั้งหลายทั้งหมดรวมกันเป็นวินัยการปฏิบัติตามสิกขาบททั้งหลายคือตั้งอยู่ในวินัยหรือความประพฤติที่ถูกต้องตามสิกขาบทเป็นไปตามวินัยก็เป็นศีล